จะบังคับยามมันคืออะไรวันดีสีของวันวันดีสีของวันตอนนี้วันนี้แรมหกข้าแลมหกข้ามหนึ่งตกเป็นสีพอดีเราจะหาว่าหนึ่งให้เป็นสีของยามย่อยอีกทีหนึ่งเราจัดได้ไหมว่าบังคับยามวันบังคับได้ไหมบังคับได้แล้ววันดีสีของวันมันดียังไงเราต้องการเรื่องอะไรตอนนี้เราเป้าหมายคือเอาพระอาทิตย์ให้เป็นสีจะเอาวันดีมันจะได้อะไรถ้ากวเอาอาทิตย์เป็นสีจะได้อะไรจะได้อะไรก็หนึ่งคือ ลาดไปแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นอะไรเป็นนั้นก็คือทองอทองแล้วก็คือการผู้นําอำผู้นําแล้วก็มีเกี่ยวกับความหมายอสถานที่สถานที่เกี่ยวกับหลงไ่ฟ้าอืมแล้วก็ลูกรูกประพันธ์สันฐานนั่นแหะคือแต่เป้าหมายของเราคือเอาธาตพิษเป็นสีสีแล้วเป้าหมายในความหมายของเราก็คือทองคําเลยอืมตอนนี้เนี่ยวันดีเป็นสีทั้งวัน <c oughs> แล้วตอนท้ายยามเนี่เป็นสีด้วยเป็นสีด้วย เอาหัวสีท้ายสีเพื่อเพื่อทองคําเพื่อบังคับเพื่อบังคับยามเอาทองคําอืมแล้วเราจะทํำหัวสีท้ายสีได้ยังไงคือการบังคับยามในที่ยามใหญ่ยามย่อยทํำยังไงวิธีการนับวิธีการนับก็คือเอาหนึ่งตกที่ไหนก็ได้ในยามใหญ่แต่ธาตุดาวอาทิตย์เนี่ยจะต้องตกสีในยามย่อยให้ได้มีเวลากี่เวลาสีในยามย่อยเราได้เ ร, ไดเราได้มาจากไหน นับเอาหรือไงนับนับตามส่วนของยำย่อยนับจงไงไม่รือนับเป็นไงนับภูเหมือนนับนับที่ยำใหญ่นับได้ไงอ่ะก็เราได้ดีถีแล้วเอ่าอาทิตย์เป็นสีในยาำใหญ่เราจะได้เราจะไปตกที่ไหนก็ได้เวลาอะไรก็ได้ในตอนนี้ยามยามใหญ่ที่สี่ยำใหญ่ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเราจะแต่ละเวลาไปตกที่ไหนก็ได้ แต่ตรงที่เราจะนับจากยามใหญ่เนี่ยให้ไปตกที่สีคือยามย่อยให้ไปตกที่สี <c oughs> สีของยามใหญ่สีของยามย่อยยังไงครับว่านับที่อตัวยอย่างตัวยอย่างตอนนี้ยามใหญ่ที่สี่ตอนนี้ยามใหญ่ที่สี่ตกอะไร <c oughs> วันพุธถัดรรถวันพุธถัดรรถ <c oughs> ตกห <c oughs> <c oughs> ก <c oughs> น้ำจากดิถีไปหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตกสี่ตกสี่เจนี้เราบังคับคือเป้าหมายเราจะบังคับให้อาทิตย์เป็นสี ในยาำย่อยในยาำย่อยท่ น, นี้ก็คือตกตกสีแล้วตอนนี้ท่านท่านท่านกํานกหนดตัวเลขไว้ก่อนนหมสี <4 S 1> ตรงนี้ก็คือบริวารใช่ไหมบริวารของยาำใหญ่ครับ <7. S 1> อ่าเดียวไม่ไหวครับพอ <c oughs> เสร็จแล้วตอนนี้ท่านเป้าหมายก็คือว่าเอายาำย่อยให้เป็นสีให้ได้ท่านก็ต้องนับจากอ่าสีของบริวารของดิตถี หนึ่งบริวารอายุเดชศีมุระอุสาหามนตีตอนนี้ตกมนตีณเวลานี้คือสิบนาฬิกากว่าเท่าไรเนี่ยต้องจำให้คล่องสิบเอ็ดนาิกาเนี่ยใช่ไมสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาิกาตอนนี้เท่าไหร่ละจะสิบเอ็ดนาฬิกาจะบังคับไงยังไม่ถึงสิบเอ็ดนาฬกาจะจะบังคับตอนนี้อยู่ตกที่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเท่าไรนี่ดูที่นี่ดูที่นี่เลยตอนนี้ยังไม่ถึงสิบเอ็ดนาฬิกาไงอยู่สิบนาฬกาห้าสิบ สิบนาฬิกาตีสิบเอ็ดสิบเอดนาฬิกห้าสิบอยู่ช่วงไหนช่วงสิอยู่นี่อยู่ไห น, น, นอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงก็มีช่วงยามใหญ่ที่สองไยามย่อยย่อยที่สองอ่ยามใหญ่ที่สี่อยู่สองตกอะไรตกสี่ดูให้ดีๆน ะ, อ, นะอ่าตกสี่ตกสี่สนับจากยามย่อยเอบริวารของยามย่อยอยามใหญ่ไปสี่ช่องหนึ 1, <ก>่งสองสามสี่ตกห้าพอดีเพราะเราจะบังคับให้เป็นสี เนี่ยเวลานี้หนึ่งเ่ยเร า, าพลาดไปแล้วถือว่าเร า, าพลาดไปแล้วนี่ก็คือวันดีสีของวันหัวสีท้ายสีเร า, าพลาดน้นเวลานี้ไปแล้วเวลาหนึ่งต่อไปหาก่อไปเนี่ยอ่าตอนนี้ยามใหญ่ที่สี่ท่านได้แล้วคือเวลาที่เท่าไหร่กําหนดเนยสิบเอ็ดนาฬกาที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยดูเมื่อกี้เนี่ยนาฬกาอืมที่สี่เอาเวลาที่เท่าไหร่หเรารู้แล้วเวลาที่สอง๋อที่สองตินกเท่าไหร่ติดนาฬิกาสี่สบเ็ดติดนาฬกาสีิบเ็ดขีดเนี่ยเขียนเนี่ยติดนาฬกาสสิบ ตั้งแต่สิบนาฬกาส่ิบเดสิบสิบนากาสี่สิบเอ็ดเอ็ดถึงเขาก็มีถึงถึงเท่าไหร่หือหืมสิบเอ็ดนากาสี่สดจนถึงสิบนาฬกาห้าสิบเ อ, อ็ดออ่าต่อไปมันท่องห้าสิบสองแต่เราก็ปิดห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบเอ็ดถึงส0บนาิกาหสิเดดนาิกาห้าส <10. S 2> ิเอ็ พรถ้าเกิดว่า52มันจะเป็นอีกเวลานึงแล้ว อ, อ, อีกส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมจะนี้ได้แล้วต่อไปยันที่ห้าเนียแสดงว่าเราพลาดไปแล้วพลาดสีไปแล้ว ส, สีไม่ยันงย้อยไปแล้วท้ายไม่ได้แล้วท้ายไม่ได้ครับตอนนี้หาใหม่ บ, บังคับคือการบังคับคือการกําหนดของเราเราเป็นผู้รู้เราต้องรู้ได้เราต้องเห็นได้คือนี่ก<ม>็ ค, คือการรู้แล้วอื สี่เราจหาสีต่อไปเราก็ไปหายามใหญ่ที่ห้าเลยเพราะที่นี่ถเกิดหมดถทบเกิดหมดลองดูได้หายามที่สี่นี่ได้ไหยวันดีสีของวันหาได้ไหมยังไม่ค่อยเข้าใจต่อไปฮะดีถียามใหญ่ครับยามใหญ่ไปลอะไรแล้วไปยามย่อยเราไม่ได้แล้วไปหาตอนนี้ท่านไปหายามใหญ่ที่ห้า ท่านรู้แล้วว่านี่คือห้าเป็นบริวารของดิถีต่อไปยามใหญ่ยามใหญ่ที่ห้านับหัวยามเท่าไหร่เป็นสี่อ่าเป็นสี่ท่านลองดูดิหัวยามเขาสี่ก็ได้อีกเนี่ยถ้าได้สี่อ๋อสี่สี่ทีนี้สี่ปุ๊บนี่คือบริวารของยามใหญ่เป็นศุกริติมากเป็นบริวารของยามใหญ่ เป็นบริวารของยามใหญ่ตอนนี้ท่านกําหนดไว้ตรงนี้ใช่ไ <4. S 1> แล้วทีนี้จะบังคับให้มันมาตกเลขห่าให้ได้ดาวพืเดือนหัดให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะต้องหกเลขตัวไหนที่ตกหกของยามย่อยวันในวันพื่หัสมีเลขอะไรเลขหกมีเลขอะไรสิบสามจดไว้เนี่ยยามย่อยเนี่ยอ่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปกันเลยได้ถ้าเกิดกาหนด <19. S 1> เป็นบริวารเลย สามสิบเ็ดถึงอะไรถึงสามสิบเจ็ดเรนี่เข้าเท่าไหร่ต่อไปอ่ะเวลาต่อไปอ่ะยวลาต่อไปถึงสิบสามสิบแปดเออสิบสามสิบแปดเราเอาแค่สามสิบเจ็ดนี่ของยามใหญ่ที่ห้าต่อไปยามใหญ่ที่หกก็เราได้แล้วหัวสีท้ายสีเนี่ยจะตกจะตกจะตกพอดีใช่ไมเพราะนี่ถ้าเกิดว่าเรานับจากนี้เมื่อกี้นี้ยามใหญ่คือสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ ได้ที่เป็นบเวณยามย่อยยามย่อยของยามใหญ่นับไปเป็นหกช่องเวลาที่สิบสามนาฬิกาเจ็ดนาทีคือหกนับไปหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะตกห้าพอดีจะตกห้าพอดีก็จะได้หัวสีท้ายสีคือหนึ่งในตามความบังคับของเราเถ้า่อไปเราได้ยามย่อยยามใหญ่ที่ห้าแล้วต่อไปยามใหญ่ที่หกมีเวลาอะไร <6. S 1> ถ้าเกิดเราพลาดอีก เราก็ไปเอาเวลานั้นได้สองตีนสองอสองแล้วก็นับต้องเข้ า, ข า, ขาวความหมายคือพยายามย้ำใหญ่ที่หก อ, นนอืย้ำใหญ่ที่หกอะ่ะ อะไรเป็นบริวารอะไรเป็นบริวารของยามใหญ่เราต้องรู้ให้ไ uh ด้น huh. ับคือหัวยามคือสองใช่ไหหัวยามคือสองก็นับเป็นสองช่องของของดิฐ์หนึ่งสองสามตกสามตกอังคารอังคารเป็นบริวารของยามใหญ่แตนี้บริวารของยามใหญ่เราก็ต้องนับดูเราพยายามที่จะให้ตกได้ท่าให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มันไม่มีมีว่ะไม่มีครับไม่มีพรรยาตัวนี้ตกไม่มีไม่มีก็ต้องข้ามไปแล้วค้ามยามใหญ่ที่หกในใช้ไม่ได้ยามใหญ่ที่เจ็ดมีเจ็ดวันพฤหัสตกเจ็ดตกสองสามีครับเจ็ดตกเจ็ดตกสองหัวยามตกสองหัวยามคือสองสองนี่คือบริวารของยามใหญ่ เราพยายามที่จะตกให้ให้ตกเลขเห้าของยำย่อยก็หาเลขสองก็หาหนึ่งสองสามหาเลขสามเวลาที่เท่าไ ห, หาร่หรัวสีกลางอะไรก็ได้แต่กลางพยายามให้เป็นเดทเป็นเดทบริ ว, วาลเป็นอายุเป็นเดท คืออายุเนี่ยเป็นปัจจุบันิวันเป็นบริวารได้ยินงดีเป็นบริวารเป็นอายุเป็นเดชหรือของดทถีหรือไม่งั้นจะให้เป็นมนตรีชื่อเสียงแต่บริวารอย่าไปเอาเอาเดชเอาอายุมนตรีที่สํำคัญที่สุดอายุเดชมนตรีต้องบังคับเราเรารู้เราบังคับได้ ดูด้วยว่าเราจะเอาอะไรเราเรื่องอะไรไม่บางคนนือเรื่องเงินบางคนเนื้อเรื่องกฎหมายบางคนก็เรื่องความรู้บางคนวุฒิในองการครับออันนี้ถูกไหยข้อที่แปดข้อที่แปดลองไล่ให้ผมฟังเนี้ยก็ <4. S 1> เลิกเนี่ยยำใหญ่ที่แปดยำใหญ่ที่เจ็ดยำใหญ่ที่แปดยำใหญ่ที่แปดแปดเป็นห้าพนเพื่อห ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกเป็นบริวารของยามใหญ่ได้ได้ดาวสุขเป็นบริวาลของยามใหญ่ใช่แล้วก็ตอนนี้เราจะบังคับให้ให้ตกเลขห้าเพื่อที่จะให้สีหก็หาเลขห้าก็เป็นอันนี้เวลาที่เท่าไหร่สิบ0กสามศูนย์ถึงสิบหกสี่สิบ16 4สิบสี่สิบก็หัวสีท้ายสีเนี่ยเราก็จะได้แล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้ว เมื่อเวลานี้เราพลาดเราเตรียมตัวได้แล้วคือสิบสามใน ก, การเจ็ดนาที เ, เตรียมตัวออกหรือแม้การก็จะทำอะไรก็จุดทูบ เ, เอาเลิกเอาชัายครับเวลาสิบสามใน ก, การเจ็ดนาทีเดียวก็ <c oughs> นิมนต์ท่านจุดทูบ ด, ด้วยแล้วกันจุดทูบแล้วบอ ก, บอกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมของให้ก็เดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวผมจะเตรียมของเนี่ยวิธีการอย่างนี้อันนี้คือการบีบ การบีบการบังคับเวลาเราในในฐานะคือเราผู้ร evet> <se ู้แล้วครับบังคับเลิกครับในในฐานะที่เราคือผ voilà ู้รู้แล้วผู้กําหนดแล้วเราต้องทําให้ได้ี่เราจะเอาเรื่องเราจะต้องนี่เราผู้รู้แล้วเรากําหนดได้ในระยะเวลาเนี่ยออื นีแ <c oughs> แแแแ่แล้วอว่าแล้วเราแต่จะเอาอะไรไนมนั้นเรื่องอ <c oughs> ะไรก็เป็นความหมายของดาว <8 S 2> แตเป้ามหมายของเราคือทองหนึนง <c oughs> น่งคือทองเนบพอดีจังหวะพอดีวันนี้พอดีแล้วเป็นสีเป็นสีคือการได้มาความหมายของสีคืออะไรอืมสีคือการเยอมรคืออ่านั่นแหละ การไล่ภูมินะนี่คือการไล่ภูมิเอาเฉพาะภูมิอย่างเดียววันดีสีของวันวันดีสีของวัน <wheelchair. S 1> นี่เนี่ยนี่แต่ที่เขาเรียกที่เขาว่าที่เขาหากันงคกสมมุติ เอายอตำแหน่งนับยังงวิธีการจะเอายตำแหน่งเนี่ยเจ้มมจเาตำแหน่งเจ้าหน้าทีบนเนี่ยจะท ย, ง ย, งะยังไงพจรณาเออวางเลยวางฟังมีคนคอยงอยู่ใช่ไหมเป็นผู้นำเขาดูมีคนมหาเนี่ยเนี่ยยังผัผู้อิสามเอาเจา้าหาบนเนี่ยจะทำยังไง <c oughs> เออวางเลยนะ <c oughs> ผมาเพิ่งได้มา่ไม่ใช่ก็จะต้องวาง ครับใช่ใช่เด็หเมนตรี่เดครับเดเดมนตรีบังคับได้เลยไหนองนับดิครับตำแหน่งดชวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเอาใหม่อะอะเรือของพระนี่แหละวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสามภูมิพอสองสัปาห์หน้าร้อยห้าสิบเบตรงกับกี่ข้ามอ่ะกี่ข้ามหกข้ามครับอ่ากข้ามตอนเนี้ยเราจะวางปักทูบละเอาตาแหน่ง เจ้าคณะวานเ่เจ <c oughs> ้าคณะนั่นก็แล้วแต่เจ้าคณะอยูที่ว่าจะปรับยังไงความหวังนั่นก็คือเดชใช่เสียงูินเดเาก็เสียงสมูินักแบบไหนเพราะเราูกับ้าะอ่านจิงกับระอะ ทำมาขอช่วยวะเออผมจะได้ตำแหน่งไหมได้หรือ ไ, ไม่ได้ไมู่นกูทำมันเึงได้และกาเรเ ล, <c oughs> ลื่นแห่งูตัวหตััวลางได้ตอเระไรเด็ดเพรหัสแหลมหกห่อมาหลมหกต้องเอาหัวท <c oughs> ้ า, อนนายอะไเด็ดเพื่รหัสต้องมีงา น, างนับครับแี่คุณศิอย์สาเลยเพราะว่าตามบุปกกรรมอ่ะัมมาเองใช่แต่เรไปพู ด, ดคำหกมีทั่วแต่เราไม่พู <c oughs> ด <c oughs> ลหลมหก่มเมื่อเช้ารหัสที่หกรหัสที่ย่สิบหกรือี่เจ็ดวันเนี้ย ยี่สิบเจ็ดอยี่สเจ็ดเหัสที่ยี่เจ็ดเยนไม่ไวเลยครับอ่เจ็ดแลมหกขัมขเวลาความรู้บางทีมันไหลมันไหลเลยนะถ้าเกิดมัวช้ามันไม่ไหลลนะอยากจะบอกตรงนี้เวลาไม่จะเป็นะเวลาเเราเอเวลาเราับขึ้นแรงก่อนแรแล้ม่หขอ่ตนนี้คือความความต้องการนะคืออยากอยากได้ตาแหน่งอยากได้ตาแหน่ง เขียนไว้ได้คืออยากได้ตำแหน่งาวตแหน่งนี่จะวางเวลาไหนเกียรตตำแ่เียตแหน่งทีนี้เราได้หนึ่งคือการผู้นำแล้เป็นสีแล้วเป็นสีทันครับครับเป็นสีคือแรมแรมหกขั้มเนี่ยได้ได้หนึ่งเป็นสีพอดีแล้วรับยังรับยงนี่สามสองสามสี่ห้าหแรมหกขั้ครับ แา่โมกห้ามของเดีดสีนับจากอะไรไปถึงรวดหนึ่งสีนับจากห้าดาวพุธหัสแย่โมกห้ามครับห้าเป็นบริวารของด็ดสีแต่ทาไมถึงเป็นบริวารของเด็ดีเพราะอะไรแรมหกขั้มครับนับนับนับตามเข็มนาฬิกาไปหกช่องเป็นข้างแรมครับเป็นข้างแรมเพราะพอดีตามเข็มนาฬิกาจะตกเลขห้าและเลขห้านับจากห้าซึ่งเป็นบริวารของดิดีไปอีกสี่ช่องบริวารอายุเด็ดีจะตกซีนมาจากไหนฮะซีนมาจากไหน อ่ที่บอกนับไปสี่สี่มาจากไหนตีก็คือการนับคือบริวารอายุเดศิบริวารอายุเดศิมูลอุตสาหะมนตรีกาลชินีดูวันพฤหัสก่อนอะไรยำใหญ่อะไรจบไปแล้วไงต่ออความหมายคือว่าเราอยากจะได้ตําแหน่งออยากได้ตําแหน่งเราจะเอาที่ขึ้นมีมนตรีอายุเดศิ มนตรีอายุเดชนี่คือคำตอบของเราที่เราจะเอาตำแหน่งมนตรีอายุเดชเดชแต่เราได้นี้เราได้สีแล้วในยามย่อยนี้เราพยายามที่จะต้องหามนตรีกับเดชเพราะเราต้องการเป็นตำแหน่งเราจะเอาตำแหน่งการที่เราต้องการเพรก็คือมนตรีกระเดชในทางชื่อเสียงในทางอำนาจในทางอำนาจทีนี้เราก็ไล่ยามไล่ยามของยามใหญ่ไล่ยามของยามใหญ่พยายาม พยายามเพราะเราคือผู้ดูแลพยายามให้สามซึ่งเป็นเป็น <Dead. S 1> เดชเดชเ้เป็นตัวความหมายของเขาคือคือการผู้มีอำนาจคือการใช้กำลังนะครั บ, อรบเออเนี่นยการชนะการอำนาจการใช้กำลั ง, งเรื่องผู้มทีที่กฎหมายเพราะว่าตำแหน่งนี้จะต้องใช้หลายอย่างแต่เราทีนี้เราอ่าที่ของ ภูมิยามใหญหเใหห่เราจะให้ตกที่ไหนเราจะให้ตกที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราไล่เวล า, าลองได้เวลาดูนะครับกำหนดเวลากาหนดยามย่อยเนี่ยเราต้องพยายามที่ให้ ส, สามเป็นสีเป็นสีหรือเป็นอายุเป็นเดด แต่พยายามให้เป็นอยู่ในสาตัวบนในสาตัวบนคือว่าบริวารอายุเดชควรที่จะเอาเดชดีกว่าพยายามให้เป็นเดชถ้าถ้าเกิดเราไล่ก่อนพอเรา <c oughs> พยายามให้ให้นี่เป็นเดชบริวารอายุเดชสีเป็นมูละผู้นำเก่าเก่าตำแหน่งเก่าถึงวันเนี้ยมันเป็นสีอยู่แล้วเราเราเราต้องรู้ความหมายก่อนเราจะเอาอะไร ทีนี้เราก็จะควรที่จะจุดธูปหรือจะวางเลิกเนี่ยเอาให้หนึ่งเป็นสีอีกให้ได้คือการเป็นหัวหน้าเราต้องการที่จะตําแหน่งสีของยามย่อยให้เป็นวันดีสีของวันได้แต่เรามาไล่ดูปุ๊บเนี่ยในยามย่อยถ้าเกิดว่ายามย่อยตรงนี้เป็นเดชไอ้เป็นเป็นบริวารเป็นบริวารเนี่ยเป็นลูกน้องเขาเรามีความรู้ก็จริงเราได้ตําแหน่งมาก็จริงแต่เราก็ต้องเป็นลูกน้องเขาเราจะเอาเป็นหัวหน้า เป็นหัวหน้าเราก็ต้องให้เนี่ยเป็นบริวารอายุเดชเดชเป็นเดชเอาเอาอาทิตย์เนี่ยพยายามเพราะเราต้องการใหญ่อยู่แล้วเราก็เอาหนึ่งให้ให้ให้เป็นให้ได้ให้เป็นให้ได้แต่ว่าจะเป็นยังไงเราถ้าเกิดเราจะใช้กำลังเราจะใช้กฎหมายหรือเรามีวิชาความรู้ซึ่งมันตกดาวพฤหัสจะตกเป็นบริวารทันที เราก็จะตกเป็นบริวารเขาใช้อํานาจไม่ได้อะไรก็ไรแต่เราอยากจะมีอํานาจเราก็ใช้เดชเดชบริวารอายุนะเราจะตกให้ตรงเนี้ยให้ให้ให้ตกเป็นบริวารคือเรามีอํานาจแข็งคือคนที่มีกําลังแข็งกว่าเราจะตกเป็นบริวารเราทันทีบริวารอายุเดชซึ่งเราเป็นเดชเลยทันทีเพราะเราต้องการเป็นหัวหน้าแต่คนที่มีกําลังคนที่ใช้กําลังจะเป็นลูกน้องเราทันที เราต้องรู้ความหมายบริวารเราก็พยายามทีนี้พยายามย่ัครบให้ตัวนี้เป็นอายุไอ้เป็นบริวารให้ได้ของยามย่อยเราจะต้องดูว่าเราเวลาเราเราจะทําเนี่ยมีความหมายอะไรถ้าเกิดเราเป็นปุ๊บเนี่ยบริวารอายุเดชสีสีเนี่ยคือการได้มาในตําแหน่งหน้าที่จะมีชื่อเสียงอะไรตอะไรมีเงินมีทองไปทำงานทันทีเราก็กําหนดได้เลย คือสามให้เป็นบริวัรของยามย่อยบริวัรของยามย่อยเราจะบังคับยามจะบังคับยามให้เป็นบริวัรของยามย่อยเราก็จะต้องไล่ของที่ยามใหญ่ก่อนยามใหญ่ก่อ น, ม, อนมีเวลาอะไรมั่งมีเวลาอะไรมั่งเราก็ยังไม่รู้ทีนี้เรามาดูที่วันพฤหัส ท, ที่เราจะจุดทูปมีอะไรมั่งเราจะต้องการให้อันเนี้ยเป็นสีแล้วนี่เป็นเดชแล้วพยายามให้นี้เป็นเดชแล้ว ถ้าให้นี่เป็นมนตรีให้ได้จะได้มีชื่อเสียงมีเดชเป็นสีคือการได้มาสามตัวเนีพื้ ท, ที่ที่ผมบอกว่าบเบอร์อายุเดชมนตรีเนี่ยหรือไม่งั้นก็เป็นบริวารแต่เป็นบริวารในทางไหนถ้าเกิดเราจะเอาหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราเป็นคนมีความรู้เราเป็นบริวารเขาทัานทีคนมีความรู้เราคือผู้มีความรู้และได้ยศตําแหน่งเราจะเป็นบริวารเขาทัานทีต้องดูตัวนี้ด้วยความหมายของมัน คนที่เป็นลูกน้องเราจะมีความรู้อะไรวอะไรเนี่ยแต่เราก็มีความรู้แต่เราจะใช้ทางไหนให้ดีและซึ่งเป็นหัวหน้าหนึ่งจะต้องเป็นหัวหน้าให้บริวารอายุเดชสีเราจะได้พวกมีวิชาความรู้ออะไรอะไรเนี่ยแต่เราเลูกน้องเขาลูกน้องเขาเพราะบริวารคือลูกน้อง แต่เราจะบังคับคือเนี่ยบังคับพวกพวกมีวิชาความรู้ก็ได้ในยามย่อยได้แต่ทีนี้เราจะต้องคือว่าเราเป็นหัวหน้าก็คือว่าสีเดชมนตีเราจะบังคับให้อยู่ในช่วงนี้เราจะได้ทั้งคือว่าสีคือหนึ่งเราได้มาอยู่แล้วเดชเรามีอานาจด้วยมีมนตีคือชื่อเสียงแต่ไอพวกเมื่ออ่าวคือพวกวิชาความรู้เป็นการลักทรหลุดลอยไป เราจะไม่ได้พวกที่มีวิชาความรู้เท่าไหร่แต่เราจะมีอํานาจแล้วแต่ท่านว่าจะเอาเอาไปใช้ทางไหนที่เป็นหัวหน้าในทางกําลังในทางกําลังในทางวิชาความรู้ถ้าท่านอยู่ในทางวิชาการท่านก็ต้องเอาห้ามามาให้ได้เอาห้าคือมือก็มีวิชาความรู้แต่ถ้าอันนี้อัลเดตเอาอํานาจผมบอกอทางเดททางอํานาจมันจะไปไวกว่าเอาสามให้เป็นบริวารให้ได้ทีนี้เรามาดูก่อนที่จะบังคับ สามบริวารอายุเดชให้เรามีกําลังให้เรามีเดชและคนที่มีกําลังเนี่ยเป็นลูกน้องเราอืมถ้าเกิดมีคนมาถามเนี่จะเอาแบบไหนจะเอาแบบว่าคนที่มีวิชาความรู้หรือว่าจะใช้มีเสียงหน่อยใช้อก่อนน้อมหน่อยหรือจะเอาอยัางไงยังไงแล้วแต่เรารู้แล้วว่าเราเราอยากจะได้สามอีกข้อหนึ่งก็แหละข้อกเราอยากจะมีเดชใช้เดชก่อนอเพราะบริวาลอายุเดช ใช้กําลังแล้วคนที่มีกําลังเนี่ยเป็นลูกน้องเรานะถ้าถ้าเกิดม า, าอข้อกออย่างนี้ถ้าถ้าเกิดข้อขอคือวิศพวกนักวิชาการที่ใช้มันสมองเราต้องเอาห้าเป็นบริวารของเราอเอาเป็นบริวารของเราคนที่มีความรู้เนี่ยมาเป็นบริวารเรามาเป็นลูกน้องเราอเ ข, เข้าใจก่อนใช่ไหมก่อนที่จะทําอะไรปุ๊บเนี่ยท่านรู้แล้วเนี่ยวันนี้ ดีแล้วก็วันเนี้ยพอดีเขามาถามเราอย่างเนี้ยแต่ท่านต้องตีความหมายพวกนี้ให้ออกหมดก่อนเน่อจะเอาอะไรจะเอาไปทางไหนเล่าเอาไปทางใช้กําลังหรือจะเอาอะไรตัวอะไรเปเขาเขาเขาก็ไม่ได้บอกอแต่ท่านต้องมีอาวาระศิลหนึ่การพูดอ๋อมันตําแหน่งอะไรเหรอไปเป็นทหารไปเป็นตํารวจท่านก็ต้องเอาสามขึ้นแต่ถ้าอ๋อไปทางครูอ๋อพวกวิชาการครูอะไรตัวอะไรเนี่ยพวกวิชาการ ท่านก็ต้องเอาพวกห้ามาให้ได้คือพวกที่มีความรู้ดึงออกมาอ๋ อ, อท่านก็จัดสรรได้จัดสรรให้เขาได้ทีนี้จะเอาห้า <g ül> ท่านก็ไล่ไล่ภูมิของยามใหญ่ <g ül> ยามใหญ่มีอะไรมั่งยามใหญ่วันนี้วันวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัส ท, ท่านก็ดูช่องพฤหัสยามใหญ่ยามใหญ่ยามใหญ่มีอะไรมั่งยามใหญ่มีอะไรมัางเดี๋ยวท่านจะนี่ตกห้าในภูมิของดิถีแล้วครับ คือบริวารมันเป็นบริวารในตัวเลยทันทีที่เราจะตกครับนี่ครับตกหนึ่งตกหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ท่านจะให้คือผมอยากจะได้ที่ที่ข้อกอบอกแล้วบอกว่าคนที่มีกําลังก่อนใช้ในทางที่เด็ดในทางที<ม>่เด็ดทางที่เด็ดก็คือว่าให้ตกสามให้ได้ตกสามให้ได้ภูมิยามใหญ่คือเนี้ยภูมิยามใหญ่ตกอะไรก็ได้ ตกอะไรก็ได้สมมุติว่าอตกอะไรก็ได้ของยามใหญ่ยามใหญ่ยามใหญ่ที่หนึ่งยามใหญ่ที่หนึ่งปุ๊บนี่ท่านนรังเขียนยามใหญ่ที่หนึ่งตกอะไรก็ได้ตกสี่ยามใหญ่ที่หนึ่งยามใหญ่ที่สองตกหกยามใหญ่ที่สามตกสองเวลาจุดทูบไงเพราะนี่คือยามใหญ่ต่อไปคือยามย่อยต่อไปยามย่อยถ้าเกิดยามใหญ่ที่หนึ่งยามใหญ่ที่หนึ่งตกสี่สมมุติเนไงยามใหญ่ที่หนึ่งตกสี่นับจากนี้ไปสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ นับหนึ่งสองสามสี่แล้วบังคับยามย่อยที่จะให้ตกเลขสามให้ได้ท่านก็ลังนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตกเจ็ดพอดี <7. S 1> ตอนนี้ท่านก็รู้ยามย่อยที่เจ็ดนะยามย่อยเจ็ดยามใหญ่ที่หนึ่งที่ตกเล้เจ็ดมีไหมในวันพฤหัสมีเวลาอะไรนะเวลาที่เท่าไหร่เจ็ดโมงเจ็ดนาะทีนั่นเอาตัวนั้นไปจุดทูปอืมนี่นะ ยามใหญ่กั <c oughs> อือหื อ, อ, อดูด้ยามใหญ่ที่หนึ่งตกอะไรก็ได้แต่แต่แตมันจะเป็นบังคับดูหัวยามดูหัวยามท่านก็ได้แล้วทีนี้ก็ที่ผมบอกว่าสี่เนี่ยยามใหญ่ที่หนึ่งคือสี่ตกแล้วมันโดนบังคับอยู่แล้ตอนนี้ท่านก็ไปหายามย่อยให้ตกให้ตามได้สามสี่ลงนี่ครับนี่ยามย่อยเลยนี่นี่ยามใหญ่ยามใหญ่นี่นี่ยามใหญ่ ตก4ีใช่ไหมหนึ่งสอสาสี่ยามใหญ่ํามใหญ่ทีนี้นี่ขึ้นแรงล้วครับตอนนี้ท่านจะพยายามที่จตกเลขสามให้ได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเวลาที่เท่าไหร่ยสกเจ็ดโมงเจ็ดโมงเขียนยามย่อยเจ็ดโมงศูนย์เจ็ดเท่าไหร่เจ็เท่าไหร่ละเจ็ดศูนยเจ็ดตั้งเจ็ดศูนเจ็ดถึงถึงสิบเอ็ดนาทีอ่ะก็สิบเจ็ดศูนย์เจ็ดสิบเจ็ด ต่อไปในท่านพวกนี้ท่านไม่ต้องเขียนแล้วท่านรู้<ม>ปุ๊บในท่า น, นกนนําหนดได้เลยทันทีย้ำใหญ่ที่สองนี่คือเวลาที่เราไปจุดทูอืมให้เขาเรือให้เขามาหา<ม>ทําน้ำมนต์อะไรตั้งอะไรก็กว่าไปเรื่องอะไรเลิกเอาชายตรวจเชยันโตแล้วแต่ท่านนะเพตได้ปัจจัยเขาน้อยท่านก็ทําให้เขาน้อยาที เ, เขาว่ากันเนพราะท่านรู้แล้วนี่จะนัดโยมกินเมืองโยมฮะหกโมงนะ<ม>เดี๋ยวจะทําให้ตอนเจ็ดโมงจุดทูบ ใช่ไหมสามสี่ห้าเร็ดเจ็ดฮเดสีมนตีตกมนตีของของยำใหญ่สามเป็นมนตีและอันนี้เป็นเดชก็จะได้สีมนตีเดชพอดีอใช่ไหมครับกิดเราได้ภูมิเราเราไล่ภูมิที่ผมเสียนให้ดูนี่ทําไงอันนี้นะ่ะที่ผมไล่ภูมิอือไล่ภูมิอือือ ลองลองเขียนก็ได้เนี่ยเนี่ยบริวารอายุเดชเนี่ยสีมูละอุสาหะมนตีกาและกินีเนี่ยเ่ท่านก็เนี่ยคืออ่าียามใหญ่นี่คือยามย่อยเนี่ยท่านก็ลองได้ดูนี่คือคือห้าสามแปดหนึ่งหกสี่สองเจ็ดเจ็ดขออนนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปด เราก็ตกเลขสามพอดีเจ้สามเราจะให้ตกเลขสามนะสามแปดสามแปดหนึ่งหกสี่สองเจ็ดเจ็ดห้าพอดีเราก็จะได้คือดิถีดิถีถถเป็นบริว่าคนมีความรู้มาเป็นลูกน้องเรานะคนที่มีความรู้มาเป็นลูกน้องเราความหมายของภูมินะเดี๋ไปดิถีดิถี ดีทีมันก็จะเป็นอะไ ร, รเราจะเอาสามใช่รับริยาอเอาเป็นโรริวานเป็นแล้วสามสามให้เป็นเนี่ยเันจะเอาสีเนี่ยอยจะตอกกันพอดีไม่มันต้องมันตกต้องต่อให้ได้นะต่อ มันต้องไหวให้ได้แล้วจังหวะพอดีเลยวันดีสีของวันวันดีสีของวันก็บังคับกไปในตัวเลยเดี๋ยวจําแม่นเลยทีเนี้ยพอพอวันทองเป็นสีพอดีล้าวอ่านก็ได้ที่วันองเป็นสีพอดีหนึ่งสึงตกสีแล้วก็หัวสีท้ายสีเลยจะจําไม่ได้คือไล่เนี่ยไล้เวลา เนี่ยไปจุดทูกมีเวลาอื่นอีกถ้าเกิดว่าผมมาไม่ได้ครับเวลาเจ็ดโมงเนี่ยเ <c oughs> มียไม่ให้มาต้องไปออกกําลังกายกับเมียแม่ยายผาไปนู่นผาไปไนี่อ้าวไล่เวลาใหม่เด้อื <c oughs> ผมอยากจะได้อะอยากจะได้ไม่ไปติดทางโลกอีกจะทูกข์กับปวดหัวมึงลนะเกินไล่มาเรารู้นี่ <c oughs> อืได้เอา เราลองถามเขาคือเนี้ยแล้วเกิดเข า, เ, ขาเรื่องมากก็เราตอนเวลาที่เรากําหนดเขาไม่ม า, าวั น, นวันนั้น่ะวันเนี้โยมว่างเวลาไหนบ้างนะว่ามาเด้ผมว่างเวลาเราเนี่ยเอาผมว่างตอนเย็นแล้วกัน<ม>ตั้งแต่บ่ายโมงไปบ่ายสองโมงไปจนถึงสี่โมงเ็น ท่านก็กำหนดเวลาท่านรู้แล้วท่านกําหนดเวลาได้บ่ายสองโมงจนถึงสี่โมงเย็นมีกี่ยามมีแค่สามชั่วโมงสามชั่วโมงท่านก็รู้ว่ายามอะไรมั่งยามใหญ่เอาออกมาที่ยามใหญ่เวลาอะไรยามใหญ่ที่หกไปยามใหญ่ที่เจ็ดใช่ไหมผมมีเวลาว่างเรื่องมากเหลือเกินเงี้ยบางทีเอาเงินมาหนักๆหน่อยนะเอาหกสี่เจ็ด เอาหกเจ็ดคือว่ายามใหญ่ที่หกกับย้ำใหญ่ที่เจ็ดท่านก็จะบังคับยามดูสิเ น, นี่ยเราได้แล้ววันนี้เป็นหนึ่งเดีเราจะเอาอะไรเราจะเอาอะไรก็ผมบอกแล้วคือเป้าหมายให้เขาเขาเขาเข า, เขาจะเป็นอะไรเป็นคนที่มีชื่อเสียง<ม>นีอะไรเนี่ยที่เขาอยากจะเป็นหัวหน้าในทางนี้เราก็พยายามที่จะให้มีชื่อเสียง ถ้าพยายามที่เอาสามเป็นเดชหรือห้าเป็นมนตรีหรืออะไรเนี่ยได้เป็นมนลตรีเป็นเดชเนี่ยเป็ น, ปนผู้นําเขาอยู่แล้วไงบริวาลอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีเอาหนึ่งทีงนี้ให้เขาให้ได้เอาหนึ่งให้เป็นบริวาลให้เอาสามเป็นมนตรี ด้นอายุเดชิมูละอุสาหะพวกนีด้วยชาความรู้อสาหะลึกเกินเนี่ยไปไวเกินไปก็ไม่ดีอ่ะไปไปไวเกินไปก็ไม่ดีอ่ะยังไม่รู้ความหมายไม่ต้องไปคํานึงนะแต่ท่านต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง จะเอาให้ให้เลขตัวนี้ตกมตรีตกเดชเดชใช่นั้นเองมตรีตกเดชเขาได้ได้หนึ่งเป็นสีครับผู้นำใอการได้มาแล้วจะเอาผู้นำหรือหรือเราจะอายากจะได้ตัวเดียวก็ได้เอาเลขหนึ่งเนี่ยตกมตรีตกสีตกเดชลองด้วยให้ตกให้ตกมตรีเดชสีตอนนี้ตกสีละ แล้วต่อไปเราก็เราเราได้ดิถีเนี่ยตกสีละ<ง>ดิถีของแรลมหกข่ําเนี่ยได้หนึ่งเป็นเป็นสีแล้วต่อไปเราก็หามรีกับเดชนะท่านก็ไล่อะไรอะไรในยามย่อยไอในยามใหญ่ที่จะตกหนึ่งหรือพยายามให้หนึ่งตกเดชกับตกมรีนะ เดินนี่ท่านบริวารอายุเดชสีมูละไม่ได้นี่เป็นสีแล้วบริวารอายุเดชให้ตกสามให้ยามใหญ่ตกสามได้เลขอะไรณ<อ>เวลาสองเวลาคือยามเนี่ยตก3 3> สา<อ>มก่อนอื <ห ưng S 1> นับจากนี้ไปสองช่องยามใหญ่เขาได้ไรสมเด็อได้สองยามใหญ่ได้สองพอดีนะก็จะได้บริว <ห ưng S 1> ารอายุเดชห <ưng S 1> นึ่งตกเดชพอดีออืเวลาที่เท่าไหร่ <ưng S 1> ย้ำใหญ่ตกสองก่อนย้ำใหญ่ตกสองแล้วตอนนี้ท่านก็ดูรู้แล้วใช่ไหมต่อไปเวลาที่เท่าไหร่ที่จะเอาหนึ่งตกมนตรีตกมนตรีท่านก็มนตรีใช่ไหมท่านท่านก็้องไล่ถอยกลับมามนตีใช่ไหมบริวาลอายุเดศีมูละอุตสาหะไม่ใช่บริวาลอายุเดศีเดือนนี้ตกหนึ่งก่อนบังคับใช่ตกหนึ่งขีดก่อน ตกหนึ่งไอตกสามเนี่ยจะได้เดชบริวารอายุเดชหนึ่งเป็นเดชต่อไปเราจะเอาหนึ่งเนี่ยให้เป็นมนตรีเราจะไล่หนึ่งให้เป็นมนตรีให้ได้ทํำยังไงเราก็ต้องไล่ดูตอนนี้มันตกสามใช่ไหมตอนนี้มันจะไปกี่ช่องเราลองไปตกที่สี่บริวารอายุเดชสีมุละอุสาหะมนตรีพอดีจะต้องตกสี่จะต้องตกสี่ให้ให้ได้ในในของ ยามย่อยยามย่อยตานี้ตานี้เราก็ต้องมาดูที่ยามใหญ่พยายามให้ตกสามเวลาอะไรที่ตกเลสามในยามใหญ่ที่หกมีเวลาอะไรนีก็ต้องตกเวลาสิบสี่เวลาสิบสี่ใช่ไหมตกเนื้ตกสามพอดีบริวาลอายุเดชศมุลอะอุตสาหมนตีตกหนึ่งพอดีใช่ไหต้องเห็นได้ยามย่อยอืม ยำย่อยนี่เนี่ยนะเขียนนี่ย <ashes> ำย่ยอยเวลาที่เราดูเมื่อกี้นี้นี่คือเวลาเลยทันทีดวมาได้ไหมเวลานี้ง่า่ยตกสามมอืมตกสามเวลาอะไรสิี่อืมสี่สิอืม ออออืืก็ได้มาเวลานี้ให้มาเวลานี้หรือจุดเราจะทําการจุดทูบจุดเทือนให้เขามาก่อนเวลาเนี้ยอั้นท่านก็เตรียมมาเต็มของเต็มดอกไม้อะไรอะไรเอาไว้แล้วให้เขาจุดทูบเวลานี้มาได้ไหมเวลานี้มาไม่ได้เอกจะบ้าหรือไาเหมืองานยุ่งยาเกเขิเตือนเอายามใหญ่ที่เจ็ดลองกําหนดให้เขาดูอีกเลย บนๆนั่หน่อยนะเวลาทำอะน้าเวมอากเป็นมลอืมเป็นเกตดูย้ำใหญ่ที่เจ็ดตกอะไรก่อนหัวยามตกอะไรก่อนตกเจ็ดตกเจ็ดนับไปเจ็ดช่องนับตกสองตกสองจะนี้หัวยมเนี่ยย้ำใหญ่ที่เจ็ดนี่มันตกสองแล้เราพยายามจะนี่มันได้อะไรบริวาร บริบาลอายุเด ส, สีมูละอุสาหะตอนเวลานี่มึงใส่จะดีเล็กเกินเนะ่ยอุสาหะอมึงต้องพยายามพ่อบังคับหนึ่งบริบาลอายุเด ส, สีมูละอุสาหะพยายามอ่าในเมื่อเวลาดีๆไม่เอามึงเอาอุสาหะตอนนี้กูจะหาให้ก็คือศีกับมนตรีแล้วกันนึกศีกระเด็ดเพราะยามใหญ่มันได้อุสาหาะเออพยยาาม่ความพยายามอ่าตอนนี้จะอยู่ที่เ้าแล้วมันไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยเนี่ย พยายามตอนนี้เราก็พยายามที่ให้มันดีๆเขาได้สีมาแล้วหนึ่งเป็นสีมาแล้วตอนนี้มนันหนึ่งของยามใหญ่นี่ตกอืออุตส า, าหะมันก็ไม่ดีแต่เราก็จะมาบังคับยามย่อยให้ได้มนตรีกับเดชดูที่อะไรเป็นมนตรีกับเดชล้วก็บริวารบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะหรือบริวารอายุเดชบริวารอายุเดชกตกสามให้เป็นเดชหรือเป็นมนตรี เราก็ลองไล่บริวารอายุเดชมูละอุตาหามนตรีตกสี่สกตสกตสกตีซึ่งเป็นไม่ได้ซึ่งนูว่าซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะได้เดชหนึ่งเป็นเดชเป็นไปไม่ได้เพราะว่า ส, สองที่ยามใหญ่ยเที่ยามใหญ่มันเป็นบริวารและนับไปเจ็ดเจ็ดแปดช่องเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันเป็นไม่ไม่ได้ตอนนี้ก็เหลือ บริวารอายุเดชได้เดชได้ทั้งเดชทางพวกที่มีกําลังหรืออะไรเนี่ยืบริวารห้าพวกแต่ต้องคํานึงด้วยในเมื่อสามเป็นสามเป็นบริวารเราจะไม่มีพวกวิชาความรู้นะแต่พวกที่ใช้กําลังหรือพวกที่มีกําลังจะเป็นลูกน้องของเราทันทีจะเอาไม้ต้องอธิบายให้เขาฟังด้วยจะเอาแบบไหน ซึ่งตัวนี้เราจะเอาอ ย, า, อยากมีชื่อเสียงเรียกวนะเอามตรีให้เขาเราจะหามตรีบริวารอายุเดศสีบุระอุสาหามตรีก็เป็นไปไม่ได้แต่จะเอาไหมถ้าไม่เอาแปลวันอื่นเรารู้เนี่ยเรากำหนดได้เพราะเราคือเป้าหมายเราจะเอาสีเดศมตรีชนะชแต่ที่เราหาได้คือยามใหญ่ที่หกเราหาได้แล้วแต่ตรง น, นี้มันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นอุสาหะ คือว่ามันของไม่ดีมากเลยแล้วก็เลื่อนเป็นวันอื่นเหมือนกับกําหนดเลิกวันแต่งงานเลิกบวชเลิกอะไรตัวอะไรนี้เราจะเอาทางไหนแต่วันวันที่กระดีในฟูมคือคือเดทมนตรีสีคือแล้วแต่ดีจะเอาดียังไงเจ้าเรื่องอะไรเจ้าเรื่องดนตรีเรื่องอํำนาจเรื่องการได้มาแล้วแต่เนีขาตอนนี้ เราก็รู้เลยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้วันนี้ผมไม่มีเวลาจริงๆวันอื่นผมไม่มีเวลานั้นก็โยมก็ได้อย่างนี้คือกรรมของเขา<ม>ที่เขาจะเอาเขาเลือกเอา<ม>เราจัดสรรให้แล้วแล้วก็อย่าไปขัดขวางเขาเน<ม>่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องมากก็เราเข<ม>้าใจตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วผมไม่ต้องสนใจอย่างอื่นแล้วผมสนใจตัวนี้ <c oughs> มีเวลาใช่ไหมอ่า 1ิบาในกาสิบ้าในกาสิหกในเอกาออเดี๋ยวไปเตรียมเรื่องนี้ออเดี๋ยวจะบอกเวเาองครับเียนทานย่าีไครับไนถตวเยอะครับขึ้นขนะ้นขึ้นขึ้นขึ้นข่านขึ้นขห้นขาาึ้ข้นขึ้นขร้นขนขึ้น้ขึ้นขึ้นขึ้นข้้้ข้้้ข้ เดินกลับผลของอ่ะเขามีของที่จะขึ้นแนวมีเมียอะไรครับมีเมื่กี้อ่ะจะไปต้ไหนไม่ต้อนเจะเกิดไปวันนั้นเรียกเรียกียอะไรกันแค่าอมอยู่ลาววิลาวิลาัวิลาไว้ดูวันนั้นดีแต่เลยวัั เขาดับไงอะท็อปงพอแล้ว